หัวออกม า, าตัดกวามแรงใช่ไหม น, นี่น่ยแสดงว่ายามดีเขาปวดใช้แต่ยาม ใ, มมใครไปรีบรีรักษา <c oughs> ท่านยายโสภาเข้าใจผิดแล้วเจ้าค่ะเนะ <c oughs> จ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระเมตตาถึงกับประทานสร้อยไข่มุกจากพระสอเส้นนี้มาให้ข้าด้วยนะ โอ้โเจ้าเลยจังเป็นยิงที่โชคดีจริแล้วม่เนี่ยอย่างค่าไม่นับว่าโชคดีหรือมีวาสนารักท่านยายเออแล้วใครจ่ะเจ้าอยากว่าโชคดีได้หรอมรับก็หญิงที่เจ้าชายจะต้องมีความสนิทสในหาด้วยนะสิ และก็ยังไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหน <c oughs> หรือว่านางเป็นผู้ใด เสด็จพี่สธิ์ธรเข้ามาแล้วพระเจ้าข้าเสด็จพ่อเสด็จแม่ถวายบังคมพระเจ้าค่ะหม่อมชันมาตามรับสั่งของเสด็จพ่อก็ไม่มีทุราร้อนอันใดพ่อเพียงแต่จะบอกพระเจ้ารู้ไว้ว่าพระเจ้าอาสุปาพุทธมีสารแจ้งมาว่าจ้หญิงยโสธราลูกสาวของขาวัยครบสิบหปีเพราะนางเกิดเป็นสัตยาพร้อมกับเจ้าและพระเจ้าอาจะให้ธิดาท่งเลือกคู่ จึงขอเชิญเจ้าชายทั้งหลายไปให้นานดูตัวที่กรุงเทวทหะหม่อมฉันคงไม่ไปหรอกพระเจ้าคะ่ะทำไมลาชเดจพี่พระธิดาพิมพาผู้นี้เป็นยอดเยาวานาลีล่ำลือกันว่ามีพระเศรีโฉมงดงามยิ่งกว่าหญิงใดนัมนถ้าพูดถูกแล้วนอกจากขออนุ ญ, ญาตพ่อไปพร้อมกับอานุ์และมหานามพ่อกับแม่จึงคิดจะให้เจ้าเดินทางไปพร้อมกันด้วย ลูกคิดเห็นเป็นอย่างไรล่ะสิทธาหม่อมชันคงไม่สนใจเรื่องนี้อยู่ดีแหละพระเจ้าค่าะเสด็จแม่แต่ข้าพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์น่านจ ะ, สะเสด็จไปนะพระเจ้าค่ะเพราะอะไรหรือฉันนะ ข้าหวังว่าเจ้าน่าจะมีเหตุผลที่ดีมากกว่าไปดูหน้าดุรุณีที่เขาว่างามนักงามนาขอเดชะมีคำกล่าวว่าชายใดไม่เที่ยวเที่ยวไปทุกแคว้นแดนไพรมิอาจประสบพบสุขชายใดอยู่เย้าเน่าทุกไม่ด้นสนสุกก็ชื่อว่าชั่วมัวเมาพระเจ้าค่ะการเดินทางของผู้ชายถือว่าได้เป็นการเปิดหูเปิดตาฟังแล้วค่อยนับว่าเป็นเหตุผลที่พอฟังได้ กันธกะเจ้าคิดว่าอย่างไรกันธกะเขาคิดว่าควรจ ะ, สะเสด็จไปและให้หม่อมฉันตามไปถวายอาราขาพระเจ้าค่ะกันธกะสายหน้ามันรู้ว่าเจ้าอยากไปเที่ยวสมากกว่าน่ ะ, สะเสด็จเถอดพระเจ้าค่ะจะได้ทอดพระเนตรความเป็นไปของกรุงเทวทหะเพื่อจะได้รู้เขารู้ราวเอาไว้แล้วรบร้อยครั้งชร ะ, ะร้อยครั้งใช่ไหมเหตุผลข้อนี้ใช้ไม่ได้ เพราะเราไม่ปรารถนาจะทำสุกสงครามกับใครเราเชื่อว่าสันติจะทำให้มีความสงบสุขได้งั้นยิ่งต้องเสด็จไปเพื่อจะได้หาทางสร้างสันติพระเจ้าค่ะสรุปว่าเราควรต้องเดินทางไปให้ได้สินะเพื่อไม่ให้เสด็จพ่อเสด็จแม่หรือเจ้าผิดหวังตกลงเราจะเดินทางไปได้ยินไหมกันทะกะพิมาชูชายเยวกับข้าในสิ ก็เดชะขบวนม้าของเจ้าชายทั้งหลายและผู้ติดตามได้ออกเดินทางมุ่งสู่เทวถานนครแล้วพระเจ้าค่ะเราเห็นแล้วนะ่ะท่านอมานุทายีและก็หวังว่าในหมู่ลูกหลานของเราที่เดินทางไปนี้คงจะมีสักคนที่โชคดีได้รับเลือกเป็นคู่สิมปรของยะโสธราโดยเฉพาะสิทธาใช่ไหมเพค ะ, สะเสด็จพี่ น้องหญิงก็ไม่คิดว่าพี่ละเบี้ยนนะพะชาบอดีที่พี่ตั้งความบวงไว้กับสิทธถรมมากกว่าใครๆไม่หรอกเพคะนันท้าลูกของเราแม้จะมีวัยเท่าแต่ก็ดูยาวในความคิดมากกว่าและหม่อมฉันรู้ดีว่าเสด็จพี่ทรงปรารถนาให้สิทธัรรมครองเรือนเพื่อลบร้างคำทานายที่ใช้สิทธัรรมเป็นจกักรพรรดิีราชแทนบรมศาสดาให้จงด้อุทายี บุตรชายขนงท้านเดินทางไปในคราวนี้ด้วยหรือไม่ขอเดชะจงการุทายีโดยเสด็จไปแค่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเฟ้นหาสาวงามในกรุงเทวทหะไม่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้พระธิดายโสธราพิมพามาเป็นคู่สยุมพรหรือไม่การุทายีก็ต้องพาสาวงามมาถวายเป็นบาทบริจาริการจำนวนไม่น้อยพระเจาา้าค่ะอื งั้นใบนี้เราก็มีแต่ได้ไม่มีเสียเสย นั่นขงข้างๆแม่นี่พิมพาคงรู้แล้วสินะว่าบรรดาเจ้าชายเมืองน้อยเมืองใหญ่ทั้งที่มาจากเมืองใกล้และแดนไกลได้มาเป็นพระราชอาคันตุกะ ข, ของเสด็จพ่อเปันพร้อมหน้าแล้วนะความเช่นกราททูลพระธิดาให้ทรงทราบแล้วสิคะเจ้าทำดีมากเกษณีแต่พระธิดาไม่ทรงมีท่าดีสนพระทัยเลยสิคะถือโอกาสเสนอหน้าเพชรทูลเสด็จแม่เชลนาเกษณี ที่เราไม่สนใจก็เพราะคิดว่าเจ้าชายองค์ไหนๆก็แค่ผู้ชายคนนึงเท่านั้นไม่เห็นจะต่างกันที่ตรงไหนแต่ที่หมอมฉั้นไปแอบดูมาเห็นเจ้าชายจากกรุงกบินละพัทไม่เหมือนชายทั่วไปเพคะเจ้าชายอนนน์กับเจ้าชายนันท์พุรูปณามเจ้าชายอนรุตก็ดูสง่าเจ้าชายมหานาก็มีความสมชายชาตรีแต่ที่สะดุดตาหมอมชั้นก็คือเจ้าชายสิทธัทถะ พ่อเธอเกษณีเราไม่อยากฟังที่เจ้าพร่ำเพ้อแล้วล่ะแต่แม่ว่าถึงยังไงลูกก็ต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนนะพิมพาหาไม่เช่นนั้นก็ต้องสยุมพรแก น, นหมู่พี่น้องของเจ้าที่เป็นกริลีาวงเพื่อสายเลือดและวรรณะของเราจะไม่จืดจางไปไม่เพคะเสด็จแม่งั้นก็เหลือเวลาอีกแค่สมวันเท่านั้นเราจะมีงานพิธีเลือกคู่กัน ตั้งแต่มาถึงกรุงเทวทหานี่เจ้าสคนอยู่ไม่ปิดที่กันเลยนะช น, นะการุไทยหม่อมฉันเหมือนมแมลงดพู่พึ่งบินถึงไหนก็ต้องไปสอดหาดอกไม้หอมหวานพระเจ้าค่ะแต่สงสัยท่านการุไทยจะเป็นพึ่งงานซะมากกว่าเพราะเสาะหาน้ําหวานเพื่อ น, นํากลับล้างไม่ใช่เพื่อยังประโยชน์แก่ตนเองเหมือนเจ้าใช่ไหมละ่ะชนะและน้องและ อ, น, อนุนเจ้ากับคนอื่นๆก็หายไปทั้งวันและกลับมาด้วยสีหน้าสดชื่นเบิกบานใจ เหมือนพบเห็อนอะไรดีๆมาหม่อมฉันไม่ปิดบังเจ้าพี่เมื่อครู่เนี้ยพวกเราเข้าไปในวงนังในเพื่อหาโอกาสยนโฉมเจ้าหญิงโสธราพิมพ า, พ, า, พ, ราพระเจ้าค่ะแล้วทรงได้ทอดพระเนตรหรือเปล่าพระเจ้าค่ะได้สิการุธไทยีเจ้าหญิงเสด็จผ่านอุทยานมาพอดีทําให้พวกเราที่มาในครั้งเนี้ยไม่ว่าจะได้รับเลือกเป็นคู่สยุมพรหรือไม่ต่างก็พอใจที่ได้ยมสิริโฉมอันละ อ, อตารู้สึกไม่เสียเวลาปล่า ถึงไม่เสียชาติเกิดจริงๆผูห้หญิงอะไรจรึงได้งามพิไลขนาดนี้เอาเ้าเสดพี่สิทธัตถะไม่ได้ทรงฟังหม่อมฉันเลยหรือพระเจ้าค่ะทรงนั่งบรรทมไปซะแล้วไม่ได้บรรทมหลอกลการุทายีเวลาที่ทรงเบื่อที่จะฟังอะไรหรือทรงคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลก็จะหลับพระเนตรเข้าสมาธิจนไม่ยนไม่ยินอันใดเช่นนี้ข้าช น, นะเป็นข้าสนิทชิดใกล้จนแจ้งพระอุปนิสัยดี ทหารสาดจนป่า ด, ด้ยวยผมไม่มีพลกข้า พ, พระเจ้าข้าพระเจ้ า, าข้าดอกพลุข้าถึงรึไงสั่งอาให้พวกเจ้าปลุกข้ามันจะถึงเวลาที่เจะาสนธาจะเลือกคู่พระอายาไว้พลกล้าพวกข้าพระพุทธเจ้าสมควรตายถ้าข้าไปเข้าพิธีไม่ทันวันนี้พวกเจ้าเด็กตายกันแน่แย่ yeah, แล้วพวกเรา ถึงเจ้าชายเทวทัตจะเสด็จไปทันก็ไม่รู้ว่าพัิดาจะทรงเลือกพระองค์ไหมภาวนาให้พวกเราปลอดภัยหวยยังอยู่กับบ้านดีกว่า พระ อ, องค์อีกแล้วเพคะเจ้าก็น่าจะรู้ว่าเราไม่เต็มใจในเรื่องนี้นี่เกศนีก็เลยไม่รู้จะแต่งตัวยังไงจะฉลองพระ อ, องค์ชุดไหนก็ทรงพรสิริโฉมยิ่งกว่าดารุดีใดอยู่แล้วล่ะเพคะงั้นเอาชุดใหม่สีทองสลับดํามาก็แล้วกันนะเกศนีเออแต่ว่าฉลองพระ อ, องค์ชุดนี้น่ะมีสีสันแล้วก็ลวดลายเหมือนดางพยัคคีนะเพคะ ก็เราพอใจจะสวมชุดนี้จะเหมือนเสือเหมือนสางก็ช่างธนาเกศนีเดี๋ยวไม่ออกไปเลยหนิเ อ, อ, อ, อเออเพคค่ะเพคคะจะชุดนี้หรือชุดไหนก็ตามพระไทยก็ดีเหมือนกันทรงเป็นแม่เสือสาวบรรดานหนุ่มๆอาจจะไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่าเกิดประวัติรั่นใจก็เป็นได้นะเพคค่ะนั่นย่อมเป็นความปรารถนาของเราอยู่แล้วล่ะเกศนี หม่อมชันเตรียมม้ากา ก, ก, กะพร้อมที่จะเป็นม้าส่งเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะอ้าวพกุมานแน่ใจนะฉันนะว่าทรงนั่งสมาธิบำเพ็ญชานน่ะไม่ใช่นั่งบรรทมนะแน่ใจสิท่านกรุธยีทรงเรียนพระเนตรออกจากชานแล้วเห็นไหมเพราะเราลำคาญที่พวกเจ้ามาส่งเสียงเอะเ อ, เอตรออะไรกันแต่เช้านะสิขอเดชะเวลานี้เจ้าชายมหานามเจ้าชายอนุรุตเจ้าชายอาณ น, น, น์และเจ้าชายนันทะ เสด็จออกไปที่รานพระราชพิธีกันหมดแล้วพระเจ้าค่ะแสดงว่าเราชักจะสายแล้วสินะการปล่อยทุกคนรอนานเกินไปถือเป็นมารยาทที่ไม่งามเท่าไหร่เราจะออกไปเดี๋ยวนี้แล้วไม่ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์หรือพระเจ้าค่ะชุดที่เราสวมใส่ไม่เหมาะสมตรงไหนช น, นะหรือท่านคิดอย่างไรการุทายีฉลองพระองค์สีเหลืองทองสลับดําก็ดูสง่างามดีเหมือนพญาพยัคฆราชอันองค์อาจ เราทับนั่งบนหลังม้ากันทะกะสีขาวมองดูรากับเทพพ ย, ยดาเสด็จมาจากสวงสวรรค์พูดมากไม่อยากฟังเราไปดีกว่าเจ้าชายของพวกเราพอชุมเข้ากลับโดนตรัสว่าพอไม่ทรงปลดปราณการประจบสอบพรนะ่ะสิรีบตามเสด็จกันดีกว่าไม่รู้ว่าจะมีใครแต่งตัวคล้ายกับเจ้าชายของเราไหมนะ สายสินธาหรือพระบรมโพุทธสัตว์ในดีตชาตินั้นเคยเสวยพระชาติเป็นพญาพยาคารเช่นเดียวกับเจ้าหญิงยโสธราพิมพาก็ได้เกิดเป็นนาพยาคัคธีในฤดูฤดีที่พยาสัตว์มาเกิดความปฏิพัติเสน่ห์อาในพระชาตินี้ทั้งสองจะมีพระทัยต้องตรงกันในการฉลองพระองค์เมื่อได้สมพระปานในครั้งแรกองค์กามาเทวะหรือในหนึ่งพยามาณวสวัสดี ก็แผนสอนข้าบาพระองค์ท้งสองพระองค์ทันทีจนทำให้เกิดความรู้สึกบัน่น ีชายที่บังเอิญแต่งกายคล้ายกับเราและขี่ ม, ม้าสีขาวยืนอยู่ท้ายสุดนั้นเป็นผู้ใดเจ้าพอจะรู้บ้างไหมผมฉันทราบไปครับพธิดาบุรุษอันงามสง่าเหมือนพญาโผงในหมู่ฝูงหา่านเหมือนพญากคจสารท่ามกลางหมู่สุกรนั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถ์องค์รัชทายาทแห่งภูกระบิลพัดสกากยะวอกเลยค่ะว่ายังไงล่ะพิมพา องค์ยุวราชาน้อยใหญ่กำลังรอการตัดสินใจของลูกอยู่นะลูกบอกมาเถอดว่าจะเลือกใครแม่กับเสด็จพ่อจะไม่บังคับใจและยอมตกลงตามที่ลูกปรารถนาเป็นพระกรุณาเพคะเสด็จแม่ลูกขอเลือกเจ้าชายพระองค์นั้นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นฉัตรแก้วปกเกสาหรือพระสวามี เป็นอย่างที่พ่อขาดไว้จริงๆพิมพาข้าสุปปะพุทธะขอประกาศว่ายโสธราพิมพาผู้เป็นทิดาแห่งข้าได้ตกลงใจเลือกเจ้าชายสิทธัตถะข้าขอประชดข้าขอขยันขารเลือกผู้สิ้นภรรยานุหญิงยโสธราพิพาในครั้งนี้เจ้าาชย เจ้าชายเทวทัตมาคัดค้านแสดงความต้องการในเจ้าหญิงอโสธาราเขาอาจจะคิดว่าสายเลือดกุริยวงศ์ไม่ควรประปนกับสายเลือดอื่นใดเขามีสิทธิคิดเช่นนั้นได้อ น, นุนแต่ไม่มีเหตุผลเลยที่เจ้าชายเทวทัตตว่าเจ้าชายสิทธัตถะของเราไม่ทรงมีศิลปะวิทยาและความสามารถในการศึกสองครามเขาพูดตามความจริงและมีเหตุผลที่ฟังได้นะชนะเราไม่นิยมในการรบจริงๆ เจ้าชอยเทวทัตดูถูกว่าเจ้าพี่มีน้ำพระทัยอ่อนแอเหมือนกับหญิงก็เลยท้าประลองเพราะเชื่อว่าจะเป็นฝ่ายมีชัยก็เป็นไปได้นันทะเพราะถ้าพี่เอาชนะด้วยการทำร้ายใครพี่คงทำไม่ได้และคงไม่ต่อสู้กับเขาแต่จะต้องส่งเสียเจ้าหญิงยโสธราพิมพาไปนะพระเจ้าค่ะคงจะเป็นเช่นนั้นอนนเสียสละผู้หญิงหนึ่งคนแต่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อหรือไม่ต้องพลานชีวิต หรือเชื่อดเอาเลือดเนื้อใครที่ยอมเป็นฝ่ายปราชัยเจ้าชายเจ้าพี่ี